เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่องใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มาวัด เพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีความเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหมือนคนตาดีส่วนพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยถ้าเราไม่มีคนตาดีนำทางเราเลยต้องเข้าหาพระพุทธพระพุธพระธรรมพระสงฆ์ ผูเป็นเหมือนคนตาดีวพาท่านเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นกันท่านเห็นเหตุของความสุขท่านเห็นเหตุของความทุกข์ท่านเห็นชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าจะต้องทำอย่างไรจะต้องการป้องกันความเสื่อมเสียต่างๆจะต้องทำอย่างไร ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคอยสัง่งมาคอยสอนพลกเราก็จะเป็นเหมือนคนตาบอดที่ไม่มีผู้นำทางคนตาบอดถ้าไม่มีคนนำทางก็จะเดินไปชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้ไปตกหลุมตกบอ่อหรือไปเจอสัตว์ต่างๆถูกสัตว์ต่างๆ กับได้แต่ถ้ามีคนตาดีนำทางคนตาดีก็จะพาไปในทางที่ปลอดภัยตรงไหนมีหลุมมีบ่อก็พาให้เลี่ยงไปไม่ให้ไปตกหลุมตกบ่อแล้วก็ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวชีวิตของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนกับการเดินทาง เรามีเป้าหมายของการเดินทางคือความสุขความเจริญเราก็เลยไปทำสิ่งต่างๆที่ที่เราคิดว่าเป็นความสุขความเจริญแต่สิ่งต่างๆที่เราทำนี่เป็นความทุกข์ความเสื่อมเสียแต่เราไม่รู้กันเพราะเราตามคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็ทำแบบนี้ เพราะคนอื่นก็เป็นเหมือนคนตาบอดเขาจึงทาตามความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วเขาก็ต้องไปเจอกับความทุกข์เพราะสิ่งที่เขาแสวงหาที่เขาคิดว่าเป็นความสุขนั้นมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไป พอเวลาความสุขนั้นหมดไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราอย่าไปหาความสุขปลอมความสุขปลอมนี้ได้จากอะไรก็ได้จากลาบยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทุกวันนี้เราหาอะไรกันเราก็หาลาบยศสรรเสริญ รูปเสียงกลิ่นรสกันเพราะเราคิดว่าเราได้มาแล้วเราจะมีความสุขก็ได้ความสุขแต่เรามองไม่เห็นว่าเวลาที่เขาหมดไปเวลาที่เขาจากเราไปความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เช่นลาบคือเงินทอง เราหากันหาเงินหาทองกันพอเราได้เงินเราก็มีความสุขกันพอาเราเอาเงินไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากจะซื้อได้แต่พอเราซื้อบ่อยๆซื้อมากๆซื้อแบบไม่มีขอบมีเคเดี๋ยวงินทองที่เราหามาได้มันก็หมดได้พอหมดแล้วทีนี้เราก็จะต้องทุกข์แล้วเพราะว่าเราไม่มีเงินใช้ นี่คือความสุขที่เราได้จากลาบได้จากเงินทองถ้ามันมีเงินทองก็มีความสุขไปเรื่อยแต่ถ้าวันไหนคืนไหนวันดีคืนดีเกิดขาดเงินขาดทองขึ้นมาปัญหาก็จะตามมาความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆก็จะตามมาเพราะเราไม่รู้จักใช้เงินใช้ทองกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เงินทองนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นพระพุทธเจ้าก็าไม่ปฏิเสธแต่เราต้องรู้จักใช้เงินทองกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นอย่าไปใช้เงินทองกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะมันจะทาให้เราเดือดร้อนเวลาที่เงินทองไม่มีเราทำงานทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่เราจะซื้อสิ่งจำเป็น มาเลี้ยงชีพสิ่งที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพคืออะไรก็คือปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนึ่งหงนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีกันแต่เราไม่จำเป็นจะต้องมีมากเกินความจำเป็นและไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเป็นของที่มีราคาแพงแ ของแพงของถูกมันก็ทำหน้าที่ได้เท่าเทียมกันเช่นบ้านบ้านเราจะซื้อหลังละล้านห้าล้านสิบล้านหรือเช่าอยู่มันก็เป็นบ้านเหมือนกันมันทำหน้าที่ปกป้องรักษาร่างกายให้เราให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆปลอดภัยจากดินฟ้าอากาศ ปลอดภัยจากคนที่ไม่หวังดีปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆนี่คือบ้านที่อยู่อาศัยดังนั้นขอให้เราใช้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินทองมากไม่จําเป็นจะต้องอยู่บ้านราคาร้อยล้านอยู่บ้านราคาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันเหมาะสมกับกําลังของเราก็าแล้วกัน ถ้าเรามีมากก็อาจจะซื้อบ้านที่แพงหน่อยก็ได้แต่ถ้าเรามีน้อยเราก็ควรจะซื้อบ้านที่ราคาถูกลงหรือถ้าไม่มีปัญญาจะซื้อบ้านก็เช่าบ้านอยู่ไปก็ได้ตายไปเราก็เอาบ้านไปไม่ได้อยู่ดีตายไปเราก็ต้องทิ้งบ้านไปถ้าเรามีเงินเหลือกินเหลือใช้ จ, จะซื้อก็ได้แต่ซื้อไม่ซื้อ มันก็ทาหน้าที่เหมือนกันบ้านที่เราเช่าบ้านที่เราซื้อมันก็เป็นที่อยู่อาศัยได้เหมือนกันเ <c oughs> ช่นเดียวกับเครื่องนุ่งห่มคือเสื้อผ้าท่านก็ให้สอนเราท่านก็สอนให้เราซื้อเท่าที่จำเป็นเสื้อผ้าเราทำไมจะต้องมีกันมากมายนะอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้มีเพียงหนึ่งสำรับก็พอ มีผ้าไตหนึ่งสําหรับคือมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มจีวรหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าไตจีวรมีเท่านี้ก็อยู่ได้นะไม่เดือดร้อนผ้าก็มีไว้สําหรับนุ่งหม่มไว้ป้องกันร่างกายปกปิดอวัยวะต่างๆป้องกันอากาศหนาวเย็นป้องกันสิงสารสัตว์ ที่อาจจะมากัดมาต่อยร่างกายถ้าเรามีเสื้อผ้าพอสวมใส่ก็พอแล้วแล้วก็ไม่ต้องจาเป็นจะต้องเป็นราคาแพงๆเสื้อตัวเดียวนี้มีหลายราคาตัวละร้อยก็มีห้าร้อยก็มีห้าพันก็มีห้าหมืนก็มีแสนหนึ่งก็มีมันก็แค่เสื้อเหมือนกันมันก็ทำหน้าที่เหมือนกัน ทำไมเราต้องมาซื้อของแพงๆเพราะมันจะทำให้เราต้องไปดิ้นหลนหาเงินหาทองกันแล้วถ้าหาไม่ได้เราก็จะทุกข์เราก็จะเดือดร้อนกันแต่ถ้าเราซื้อของที่มีคุณภาพแต่ราคาไม่แพงพอใช้ได้เราก็ไม่ต้องหาเงินมากไม่ต้องเดือดร้อนเวลาที่เงินทองไม่ไม่มี เพราะเราจะไม่ใช้มันมีเงินทองเราก็จะเก็บเอาไว้เพราะเราต้องคิดถึงวันที่เราอาจจะไม่สามารถหาเงินหาทองก็ได้อาจจะตกงานก็ได้เศรษฐกิจอาจจะตกต่ำบริษัทอาจจะต้องเจ๊งปิดไปก็ได้มันมีความไม่แน่นอนต่างๆอยู่ในโลกนี้มากเราจึงต้องไม่ประมาทเราต้องรอบคอบ เราต้องคิดเผื่อไว้ว่าเงินทองที่เรามีอยู่รายได้ที่เรามีอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีก็ได้ดังนั้นเราต้องมีอะไรสำรองไว้เผื่อเวลาไม่มีรายได้เข้ามาเราจะได้มีเงินทองที่สำรองเงินทองที่เราไม่เอาไปใช้แบบฟุ่มเฟือยไม่เอาไปใช้แบบเพ้อเหิมรู้ราเนี่ยนี่คือ วิธีการใช้เงินทองเพื่อทำให้เราไม่เกิดความทุกข์กันอย่าเอาเงินทองไปซื้อของไม่จำเป็นอย่าเอาเงินทองไปเที่ยวนะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเป็นซื้อยาเสพติดเวลาเที่ยวแล้วมันก็ติดมันก็อยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยเวลาไปช้อปปิง้งซื้อข้าวของไม่จาเป็นต่างๆมันก็จะติดมันก็อยากจะไปซื้อ เวลาอยู่บ้างเฉยๆก็จะรู้สึกงดหยิดลำคาญใจวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินไปเที่ยวก็เอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้เอามาทำบุญแทนถ้าเราเอาเงินมาทำบุญแล้วความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปแล้วทำบุญก็จะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจ ทำให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้ไม่ต้องไปช้อปปิง้งไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูหนังดูละครเพราะการทำบุญนี้จะทำให้ใจเราอิ่มนั่นเองบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของจิตใจแต่การไปเที่ยว<ม>การไปซื้อของไม่จำเป็นต่างๆนี้เป็นเหมือนยาเสพติดระหว่างอาหารกับยาเสพติดนี้เราจะเลือกซื้ออะไร ให้กับร่างกายเราเราก็ต้องซื้ออาหารคนฉลาดก็ซื้ออาหารแต่คนโง่ก็ไปซื้อยาเสพติดพวกที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ถึงจะพร้อมกระรองเพราะไม่ซื้ออาหารมากินเพราะติดยาเสพติดเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพมันทรมานมากเลยต้องเอาเงินไปซื้อยาเสพติดแทนไปซื้ออาหารเพราะซื้ออาหารมา ทำให้ร่างกายอิ่มแต่ใจมันไม่อิ่มเพราะใจมันต้องการยาเสพติดฉันใดการที่เราเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็เหมือนไปซื้อยาเสพติดเพราะซื้อแล้วมันติดนั่นเองมันอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆอยากจะไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินนีม่มาซื้อบุญซื้ออาหารให้กับใจพอเราทำบุญแนละ้วใจเราก็อิ่ม ใจเราก็สบายอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่มีความรู้สึกอยากจะไปเที่ยวไม่มีความรู้สึกอยากจะไปช้อปปิง้งนี่คือวิธีที่เราจ ะ, ะไม่ทุกข์กับเงินทองอถ้าเราใช้มันด้วยเหตุด้วยผลแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขเพราะเราจะมีเงินทองเหลือใช้เรามีเงินสำรองเอาไว้ เวลาที่ขาดรายได้เราก็ไม่เดือดร้อนอย่าหาเงินทองแล้วเอามาใช้ตามความอยากต่างๆเพราะจะไม่พอใช้จะมีมากมีน้อยก็ไม่พอใช้เพราะมีมากก็จะซื้อมากจะซื้อของแพงขึ้นไปเรื่อยๆเคยใส่เสื้อตัวละห้าร้อยถ้ามีมากก็ต่อไปก็ต้องใส่เสื้อตัวละห้าพัน เนี่ยมันเป็นความรู้สึกหลอกเราคิดว่าเราได้ความสุขแต่เราไม่มองว่าเวลาเราใช้เงินมากๆากต่อไปเวลาเกิดเราไม่สามารถหาเงินทองได้เสื้อผ้าราคาแพงๆนี้เราเอามาขายไม่ได้กี่ตังค์สู้เก็บเงินทองไว้ดีกว่าเก็บเงินห0 0พันกับเก็บเสื้อห้าพันเวลาต้องการเงินใช้นี่ อ, อันไหนจะดีกว่ากัน เาเสื้อห้าพันไปขายจะได้สักปีตังเก็บเงินห0 0 0ันไว้ในธนาคารยังมีดอกเบีย้ยให้อีกด้วยนี่คือการหาความสุขอย่าหาความทุกข์ด้วยการซื้อข้าวซื้อของใช้เงินตามความอยากต่างๆสิ่งที่เป็นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปใช้มันเลยไปอยู่แบบนัก บ, บวช พระสงฆ์องค์เจ้านี่มาบวชเป็นพระเลยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองสบายสาเหตุที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระมีเงินมีทองก็เพราะกลัวจะเป็นเหมือนญาติโยมพอมีเงินมีทองก็อยากจะซื้อข้าวของอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วเดี๋ยวพอไม่มีเงินก็ต้องศึกไปหาเงินพระพุทธเจ้าเลยไม่อยากให้พระสงฆ์มีเงินมีทอง แต่ก็อนุญาตให้มีไว้สำหรับซื้อของจำเป็นเช่นยูกยาปัจจัยสี่เพราะบางทีอาจจะขาดแคลนก็ได้แต่ไม่ให้ครอบครองให้ฝากไว้กับญาติโยมเวลาต้องการสิ่งที่จำเป็นก็บอกให้ญาติโยมก็ไปจัดซื้อมาถ้าอยู่แบบไม่มีเงินมันก็สบายไม่ต้องหาเงินไม่ต้องใช้เงินอาศัยการให้ของญาติโยม ก็อยู่ได้แนละ้วนี่คือเรื่องของความสุขที่ได้จากเงินทองถ้าไม่ละมัน่นละมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ได้ความสุขที่ได้จากตำแหน่งต่างๆก็เหมือนกันเวลาเราทำงาน <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเขาก็แต่งตั้งให้เราเป็นขั้นนั้นขั้นนี้เป็นนายร้อยเป็นนายพั น, เ ป, นเป็นอะไรเราอย่าไปหลงยึดติดกับมันอย่าไปอยากได้มัน ขอให้เราคิดว่าเราทำงานเพื่อหาเงินทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองส่วนตำแหน่งต่างๆนี้ถือว่าเป็นของแถมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้เขาจ่ายเงินเดือนก็แล้วกันเพราะเราต้องการเอาเงินเดือนไปซื้อปัจจัยสีมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองส่วนตำแหน่งนี้เขาจะให้เราหรือไม่ให้เราก็อย่าไปยินดี เพราะว่าถ้าไปยินดีไปอยากได้เวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาเขาตรวจเราก็จะเสียใจเวลาไม่ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนขั้นก็จะเสียใจเพราะความอยากมันอยากจะเลื่อนไปเรื่อยๆพอได้ตำแหน่งนี้แล้วก็อยากจะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปพอไม่ได้เลื่อนขึ้นไปก็จะเสียใจนี่คือความทุกที่เราจะได้จาก ตำแหน่งต่างๆที่เราเรียกว่ายศเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไม่ทุบ ก, กับเรื่องของยศเราก็อย่าไปอยากได้อย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าเขาให้มาก็รับไว้ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เสียใจถ้าเขาเอามาแล้วเขาขอคืนก็ให้เขาไปคืนเขาไปเพราะเราไม่มีความยินดีที่จะได้แต่ก็รับไว้เพราะเป็นมารยาท ใครเขาให้เข้าของเราเราก็รับเอาไว้เราจะอาไปใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของเราถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับยศไม่ทุกข์กับตําแหน่งต่างๆแต่ถ้าเรามีความยึดมีความติดมีความอยากได้เราจะทุกข์กับเรื่องยศเรื่องตําแหน่งพอเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันพอเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายหมื่นนายแสนพอไม่ได้เป็นก็เสียใจ เดี๋ยวเวลาครบอายุราชการเขาก็ปลดออกอยู่ดีเป็นเดียวเดียวเป็นแค่ไม่กี่ปีพอครบอายุหกสิบก็ปลดเป็นนายพลก็หมดไปเป็นนายพันก็หมดไปดังนั้นพระเจ้าสอนให้เราระมัดระวังให้พิจารณาความไม่ถาวรของลาบของยศของสรรเสริญก็เช่นเดียวกันอย่าไปยินดีอย่าไปอยากได้ อย่าไปอยากให้เขาชมเรายกย่องเราอย่าไปยินดีกับคาสรรเสริญเยือนยอเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเขาไม่สรรเสริญเขาไม่ชมเราเวลาที่เขาตาหนิตีเตียนเขากลารหานินทาเราจะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ยินดีกับคาสรรเสริญเยืนยอไม่อยากได้คายกย่องเราก็จะไม่มีความรู้สึกเสียใจ ใครด่าเราเราก็ทำใจได้เพราะเราไม่ได้มีความปรารถนาไม่ให้เขาด่าเราเราถือว่าคำสรรเสริญกับคำข้อลหานินทานี้มันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศอยู่ใต้ฟ้ามันก็ต้องเจอฝนงั้นวิธีที่จะทำให้เราไม่เปียกก็คือเราต้องหาร่มกลาง ร่มกานก็คือปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าสารเสริอนิมเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศไปสั่งให้เขาชมเราไม่ได้ไปห้ามแม่เขาด่าเราไม่ได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เราทุกข์กับคำด่าได้ด้วยการมีใช้ปัญญา มองให้เห็นว่าคําสรรเสริญคําตําหนิตีเตียนนี่เป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศเราห้ามฝนไม่ให้ตกได้ไหมเราสั่งให้ฝนหยุดได้ไหมแต่ถ้าเรามีร่มเราก็ไม่เดือดร้อนฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะเห็นว่าคําสรรเสริญคํานินทานี้มันเป็นของชั่วเก่า แล้วมันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนฝนตกฝนตกแล้วเดือยนก็หยุดถ้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันตกไปปล่อยมันหยุดไปคําสรรเสริญคํานินทาก็ปล่อยให้เขาชมไปใครอยากจะชมก็ปล่อยเขาชมไปใครอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปแล้วเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีที่เราจะ หาความสุขมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ต้องหาด้วยความไม่อยากหาด้วยความไม่ยึดติดนะไม่ยินดียินร้ายได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยู่ตามมีตามเกิดหัดอยู่แบบประหยัดหัดอยู่แบบตามมีตามเกิดแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กันเช่นเดียวกับความสุขที่เราหาจาก รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรูปที่เราชอบดูเสียงที่เราชอบฟังกลิ่นที่เราชอบดมรสที่เราชอบริมรสผัสสะที่เราคอยสัมผัสมันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีรูปของคนที่เราชอบก็มาบังทีรูปของคนเราไม่ชอบก็ไม่มาเป็นกลายเป็นรูปของคนที่เราเกลียดก็ได้ บางทีเราต้องเจอคนชอบบางทีเราก็ต้องเจอคนเกลียดบางทีเราก็ต้องได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบบางทีเราก็ต้องได้ยินเสียงที่เราชอบอมันก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้เราต้องหัดทําใจเฉยๆอย่าไปเยินดีเย็นร้ายม า, ยาก็ได้ไม่มาก็ได้ชมก็ได้ด่าก็ได้ เรารับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์กันแต่พวกเราทุกวันนี้ทุกข์เพราะว่าเราอยากกันแล้วพอได้แล้วเราก็ยึดติดกันอยากได้พอได้มาก็หวงก็หวงแล้วพอเขาจากเราไปก็เสีย อ, อกเสียใจเพราะเราลืมไปว่าเขาเป็นของชั่วคราวเขาเป็นของที่จะต้องมีวันจากเราไปแต่ถ้าเราได้มา หาพระพุทธก็ท่านพระสงฆ์พระพุทธจะสอนจะคอยเตือนใจเราจะคอยสอนให้เรามองโลกว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเพราะมันไม่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวอนัตตาคือเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ไม่ได้เป็นของเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราก็จะไม่มีทุกข์ขัง เพราะเราจะไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่อยากเราจะยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีถ้ามันจะจากเราไปก็ปล่อยมันจากไปดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขกับลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงกิ่นรสเราต้องมีปัญญาคอยเตือนใจคอยสอนใจอย่าไปหลงอย่าไปคิดว่ามันเป็นของถาวร ไห้คิดว่ามันเป็นความของชั่วคราวที่จะมีวันหมดไปได้ให้ไปคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้เราต้องยินดีตามมีตามเกิดมันจะเจริญก็ยินดีมันจะเสื่อมก็ยินดีถ้าเรายินดีกับการเจริญยินดีกับการเสื่อมยินดีกับการเกิดยินดีกับการดับเราก็จะไม่ทุกข์ใจ แต่ถ้าเราเอาแต่ยินดีแต่ความจเจริญยินดีกับการเกิดเวลามันเสื่อมเราจะทุกเวลามันดับเราจะทุกข์กันนี่คือคำสอนของคนที่ตาดีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เรารู้จักอยู่กับสิ่งต่างๆที่เรามี่ออยู่อย่างมีความสุขคืออยู่โดยไม่ยึดติดไม่ถือว่าเป็นของเรา พร้อมที่จะให้มันจากเราไปแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขจะไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลและจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียใจเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปเพราะไม่ช้าก็เร็วชีวิตของเราทุกคนก็ต้องจบของทุกอย่างที่เราหามาได้ในโลกนี้เราก็ต้องทิ้งมันไว้ในโลกนี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้ แต่เราจะเอาความสุขที่เราได้จากการมีปัญญาไปกับเราเราจะไปอย่างมีความสุขอยู่ก็มีความสุขเพราะอยู่แบบไม่ยึดไม่ติดอยู่แบบไม่มีความอยากนี่คือวิธีอยู่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นำเอามาสั่งมาสอนมาบอกพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามได้พวกเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขจะไม่มีความทุกข์อย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาหาผู้นำทางเพื่อให้เราจะได้เดินทางไปในทางที่เราปรารถนากันก็คือความสุขและความเจริญการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์